พูดถึงนักธุรกิจนะระดับพันล้านคนหนึ่งที่พูดว่าเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือการอ่านหนังสือ น, นักธุรกิจคนนี้ก็ชื่อมาร์คคิวบันเาเรียกว่าร่ำรวยมากนะจากการลงทุนในกิจการต่างๆมีเงินเป็นระดับพันล้านนะถ้าเป็นเมืองไทยก็ 2,000 0 กว่าล้านนะแล้วเขาให้คุณค่ากับการอ่านหนังสือมากนะอ่านหนังสือวันละมชั่วโมง น, ะน้อยกว่าวอร์เรนบัฟเฟต w a นะวอร์เรนบัฟเฟตนี่อ่านวันละห้าหกชั่วโมงแต่ที่ก็พูดน่น่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือการอ่านหนังสือแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะ ถ้าพดให้ถักก่วคือว่าการลงทุนที่ดีที่สุดของชีวิตเนี่ยก็คือการเจริญสติพ่อใหรนะเพราะว่ามันให้ประโยชน์ให้คุณค่ามากมายนะยิ่งกว่าการอ่านหนังสือจริงอยู่นะการอ่านหนังสือนี่ก็ทําให้เรามีความรู้มากเปิดโลกให้กับเราทําให้หูตากว้างไกลแต่ว่าไอ้ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเนี่ย จำนวนมากนี่รู้ก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อ่านมากมายนะแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่ได้ไม่สามารถอามาใช้ให้เกิดผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอ่านแล้วก็ลืมมันก็ไม่ต่างจากวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนหมาเทเลลยนะเราเรียนมาเยอะเลยนะ นะตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าที่เราจำได้เนี่ยแล้วก็ามาใช้จริงๆเนี่ยมันมีไม่รู้ถึง 5% หรือเปล่าคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะเรียนมาตั้งแต่ชั้นปหนะนึ่งะจนจบมัธยมนะม .6 หรือมส5หก็แล้วแต่จำนวนมากเลยนะไม่ได้ใช้ ความรู้ที่ได้เรียนมาเลยภาษาอังกฤษเรียกว่าคืนอาจารย์ไปหมดยังไม่นับนะประเภทว่าเรียนวิชาชีพเนี่ยเรียนมาตั้งสี่ปีนะบางคนเรียนวิศวะบางคนเรียนบัญชีบางคน เรียนสถาปัตย์หรือบางคนเรียนหมอด้วยซ้ำห้ปี6ปีเรื่องน้อยสีปีแต่พอเรียนแล้วก็พอเรียนจบ ก, ก็ไม่ได้ไปเป็นหมอไม่ได้ไปเป็นสถาปนิกไม่ได้ไปเป็นนักบัญชีไม่ได้ไปวิศวกรเลยไปมีอาชีพอื่นนะบางคขก็ขายของบางเขก็เป็นช่างภาพบางเขก็เป็นนักลงทุน บางคนก็ไปทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนียความรู้ที่รำเรียนมารวมไปถึงความรู้ที่อ่านจากหนังสือเนี่ยมันน้อยมาก้ที่เอามาใช้ประโยชน์ซึ่งต่างจากการเจริญสตินการเจริญสติเนี่ ย, รรยไม่ว่าจะทำน้อยหรือทำมากเนี่ย มันเป็นประโยชน์ได้ใช้แน่นะอยู่ที่ว่าจะรู้จักใช้หรือเปล่านอกจากเนี่ยความรู้จักการอ่านหนังสือนีหรือแมกก้กระทั่งความรู้จักการเรียนหนังสือเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะรู้ไปก็ทําไม่ได้รู้ไปก็ทําไม่ได้ หากว่าขาดการฝึกขาดการฝึกจิตขาดการฝึกตนอย่างเช่นหนังสือเนี่ยดีๆหลายเล่มเลยนะเขาก็จะบอกให้เรารู้ว่าไอความร่ำรวยหรือว่าการมีชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ เป็นหลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริงบางคนจนวนมากอ่านก็รู้นะแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าทำไม่ได้นะทั้งที่เขาบอกว่าเนี่ยการที่ใช้ช่วยมีคุณค่าการจะรู้จักนะหาความสงบ ก, การรู้จักพึงพอใจในชีวิตหรนะือที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่ามีความสันโดษเนี่ย มันเป็นที่หมายความสุขอย่างแท้จริงจนไม่น้อยเลยนะอ่านหนังสือเนี่ยก็รู้นะเออเห็นด้วยแต่ทำไม่ได้นะเพราะว่าใจามันก็ยังโหยหาความร่ำรวยโหยหาชื่อเสียงนะอยากเด่นอยากดังอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอย่างมีสถานภาพ ทัง้งที่ก็อ่านมาแล้วก็รู้มาคนที่ร่ำรวยคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีสถานภาพนะเด่นดังพวกนี้หลายคนพอเจอวิกฤตในชีวิตก็เอาตัวไม่รอดนะกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายไม่สามารถที่จะทำใจให้เกิดความสันโดษกับสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ รู้นะแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นการรู้ในระดับสมองนะแต่ใจเนี่ยมันไม่คล้อยตามอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกใจนะไอความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้จากการอ่านหนังสือหรือจากการริ่าเรียนมานี่จานวนมากนี้มันทำไม่ได้ เนเพราะในเรื่องที่มันทวนกระแสกิเลสรู้เยอะรู้มากแต่ทำไม่ได้ตราบใดที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเมื่อสักพันเท่ากว่าปีก่อนนะมีมีนักบุญคนหนึ่งนะชื่อออกัสตินนะออกัสตินนี่เป็นนักบุญคนในาศาสนาคริสต์ที่มีชื่อเสียงมาก ก็ถ้าเทอกับพุทธศาสนาก็ระดับพระพุทธโคาศาจารย์เลยเอากัสตินเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยเป็นหนุ่มเนี่ยแกก็เป็นคนที่ฉลาด น, นะแล้วก็ปราดเปรื่องมากอ่านหนังสือมาเยอะแล้วเกิดศรัทธาในศาสนาคริสต์คำพีตำราต่างต่างก็อ่านมามากมาย แล้วก็รู้นะว่าหรือเชื่อว่าการมีชีวิตพรหมจรรย์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพรหมจรรย์ในที่หมายถึงว่าชีวิตโสดนะไม่มีคู่เป็นชีวิตที่ปลอดจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ออกัสตินเนี่ยใฝ่ฝันปรารถนามากแต่ทำไม่ได้นะเพราะว่า ใจเนี่ยมันปรารถนาความสุขทางเพศมากมีคู่หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตาตามประสานคนหนุ่มแม่แกก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์มากว่าไอสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันสวนทางกับความเชื่อหรือความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมา ก็รู้ว่าไอการมาีเพศพรหมจันท์เนี่ยหรือการชีวิตพรหมจันท์เนี่ยมันดีที่สุดแต่ว่าทําไม่ได้สวดภาวนาถึงพระเจ้านะเป็นคําสวดที่มีชื่อมากของออกัสตินเนี่ยบอกว่าภาวนาถึงพระเจ้าปโปรดมอบชีวิตพรหมจันทร์ให้กับข้าพเจ้าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ขอสนุกนะขอมีความสุขกับ mm. เพศรถก่อน mm. ขนาดภาวนาเขาสวดภาวนาอ้อนวอนพระเจ้านะขอให้มอบชิดพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ทางเพศให้นะแต่เอาไว้ก่อนไม่ใช่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะใจมันยังมีความสุขอยู่กับเพศรถ หรือความสุขทางกามอันนี้ก็เรียกว่ารู้เยอะรู้มากแล้วก็รู้ถูกด้วยนะแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจมันไม่ได้ฝึกก็กลายเป็นว่าความรู้ที่มีเนี่ยไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้หรือถึงใช้ประโยชน์ได้นะเช่นใช้ทำมาหากินได้ หรือว่าทำให้สามารถไปพูดไปบรรยายที่ไหนได้แต่ว่าปัญหายอย่างนี้นคือว่ามันแก้ทุกข์ไม่ได้อ่านหนังสือรู้มากนะเกี่ยวกับเรื่องจั ก, กรวาล น, นะว่าจักรวาลมีกำเนิดจากบิกแบงนะหรือมหากรรมปัณณนะรู้ถึงขอบเขตของจักรวาลตามที่หนังสือเขา ของผู้รู้เขาได้บรรยายรู้เรื่องควนะันตั้มสารพัดเลยนะแต่ว่าแก้ทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะความรู้ที่อ่านมาจากหนังสือเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะ อาจจะช่วยทำให้เราได้รู้ตำแหน่งแห่งขงนในจั ก, กรวาลแต่ว่าข้อจำกัดคือว่ามันเอามาแก้ทุกข์ไม่ได้เวลาถูกต่อว่าด่าทอเวลาคู่รักขอเลิกหรือว่าคนรักล้มหายตายจากเนี่ยไอ้ความเรื่องกำหนดจั ก, กรวาลหรือว่า การรู้ถึงกําเนิดของมนุษยชาตินี่มันแก้ทุกงตัวเองไม่ได้เลยมันแก้ทุกของตัวเองไม่ได้เล ย, นเเลยในขณะที่การฝึกจิตเนี่ยนะหรือ ว, ว่าการเจริญสติเนี่ยเราสามารถจะมาใช้นะแก้ทุกข์บรรเทาความเครียดหรือว่าทําให้ใคลายจากความเศร้าโศกได้ ทำให้มีสติยั้งคิดไม่วูว่วาไม่ผุนผันไปหาทางบันเทาทุกข์ที่มันเป็นการซ้ำเติมตัวเองให้หนักให้เป็นทุกข์มากขึ้นนี่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะอย่างที่หลวงพ่อของเขียนได้ได้เทศแล้วก็เราได้ฟังเมื่อชเช้านี่้าบอกการเจริญสติเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีคำว่าล้มเหลว ไอการเรียนในโรงเรียนหรือการาเรียนวิชาทางโลกเนี่ยหรือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยถึงเราจะเอามาทำเอามาใช้นี่มันอาจจะเจอความล้มเหลวได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีคําว่าล้มเหลวเลยนะคือทําเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อ น, นั้นที่จริงเรื่องนี้เนี่ยเคยเคยยกตัวอย่างของ นักประดิษฐ์คนหนึ่งนะชาวอเมริกันชื่อโทมัสอดิสันซึ่งเป็นคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟเนี่ยสมัยก่อนหลอดไฟเนี่ยมันต้องอาศัยไส้นะซึ่งต้องมีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงแล้วก็มีความคงทนมากพอที่จะให้แสงสว่างโดยที่ไม่ขาด สามารถจะใช้ได้นะเป็นเดือนแล้วก็อธิษันนี้ก็เขาก็พยายามหาวัสดุที่มาทำเป็นไส้หลอดไฟแต่ทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าเนี่ยผมไม่เคยล้มเหลวนะผมแค่พบวิธีเหมื่นวิธีที่มันไม่ได้ผล ไม่น่าสนใจนะมุมมองของเขาเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเพราะว่าทุกครั้งนที่ทดลองเนี่ยขาได้พบว่ามันไม่สำเร็จผมไม่เคยล้มเหลวผมแค่พบหนึ่งหมืนวิธีที่ไม่ได้ผลที่จริงคำว่าแค่นี้ก็ไม่อาจจะไม่เหมาะ ไม่ถูกต้องนะเพราะการที่พบถึงหนึ่งหมืนวิธีที่ไม่ได้ผลนี่มันไม่ใช่แค่แล้วนะวมันเยอะทีเดียวให้การปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะโดยเาะการเจริญสติเนี่ยมันมีคาว่าล้มเหลวนะเพราะว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการปฏิบัติมันล้วนดีทั้งนั้นแม้ขณะที่ปฏิบัติการอี่การเจริญสติใจมันฟุ้ง อันนี้ก็ไม่ถือว่าล้มเหลวนะถ้าเข้าใจการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพราะว่าฟุ้งเนี่ยนะเออก็รู้ว่าฟุงนะ้งนะงดเงิยก็รู้ว่างดเงิยหรือว่าสงบก็รู้ว่าสงบอะไรเกิดขึ้นกับใจในหลวงที่ปฏิบัติก็ดีทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มตัวรู้ แม้กระทั่งหลงนะและถ้ารู้ว่าหลงเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ล้มเหลวแล้วแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการเข้าใจให้ถูกนะเพราะหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยตัวเองปฏิบัติแล้วมันล้มเหลวบางคนนั่งนั่งสมาธินั่งไปได้ไม่ถึงสินาทีก็เลิกบอกไม่ไหวไม่ไหวมันฟุ้งเหลือเกินทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ฟุ้ง นะทำไปตลอดอาทิตย์ตลอดเดือนก็ยังฟุ้งความคิดเยอะเหลือเกินก็เลยบอกว่าเลิกทำละเพราะทำไม่ได้และรู้สึกว่าที่ทำเนี่ยมันล้มเหลว อ, อันนี้เพราะว่าเขาวางใจไม่ถูกเนะี่ยเขาไม่เข้าใจนะว่ากา้ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าจะเอาความสงบเนะย มันก็จะย่อมมีคาว่าล้มเหลวเพราะว่าพอปฏิบัติแล้วใจไม่สงบเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ถูกต้องมันล้มเหลวแต่ถ้าเป็นการเจริญสตินะมันไม่มีคาว่าล้มเหลวเลยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจจะเป็นความที่หรืออารมณ์เพราะว่าทุกความคิดทุกอารมณ์เนี่ย มันมาเพื่อให้เรารู้ให้เราเห็นหรือมาฝึกให้เรานะมาฝึกตัวรู้ฝึกตัวสติซึ่งถ้าหากว่าเข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติจุดมุ่งหมายการเจริญสติเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าล้มเหลวเลยไม่ว่า จะมีความคิดอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเพราะว่ามันมาทำให้เราเนี่ยรู้เห็นอารมณ์ต่างๆในด้านหนึ่งมันก็ทำให้สติว่องไวปราดเปรียวทาให้มีความรู้สึกตัวได้ไวอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เห็น ความคิดและอารมณ์ต่างๆว่ามันมีสภาวะแบบนี้แบบนี้ซึ่งทาให้เรารู้จักมันมากขึ้นทำให้เราเรียกว่ามีความมักคุ้นกับมันมากขึ้นและทำให้เรารู้ทันมันได้เร็วขึ้นถ้าว่าตั้งเป้าว่าเนี่ยปฏิบัติมัต้องสงบนะมันต้องไม่ฟุ้งนะอันนี้ก็ เ, เตรียมตัวผิดหวังได้เลยนะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลว อยู่ตลอดเวลาหรือว่าล้มเหลวได้ง่ายแต่ถ้าหากมองว่าเนี่ยทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาทำให้เรารู้ ม, มาทำมาทให้เราเห็นเมือนกับทีอาจารยก็บอกว่าเนี่ยขาได้รู้หนึ่งหมืนวิธีที่มันไม่เวิร์กนมันไม่มีคำว่าล้มเหลวและไม่เคยล้มเหลวเพราะว่าทำน้อยก็ได้ทำมากก็ได้ แต่คนนี้เนี่ยปัญหาของคนจำนวนมากคือนอกจากไม่เข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติคือไปเอาความสงบแทนที่จะสร้างตัวรู้หรือฝึกสติแล้วเนี่ยก็ยังวางใจไม่เป็นด้วยก็คือพอมันมีอารมณ์มีความคิดบางอย่างที่ไม่ชอบนะ มันมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเช่นความโกรธก็ไปพยายามกดข่มมันเอาไว้แล้วพอไปกดข่มมันนะไม่ว่าเป็นความคิดหรืออารมณ์เนี่ยมันก็ยิงโดนความคิดและอารมณ์เนี่ยเล่นงานนะแวงกัด ยิ่งไปกดข่มมันมันยิ่งสู้ธรรมชาติของความคิดและอารมณ์เป็นอย่างนี้คือพอเราไปกดข่มมันมันอาจจะหลบในชั่วคราวแต่แล้วพอเผอเนี่ยมันก็เล่นงานเราหรือพูดอย่างนี้คือว่ายิ่งไปกดข่มมันยิ่งไปผักไสมันยิ่งไม่ยอมรับมันมันก็ยิ่งลักไปเพิ่มอำนาจให้กับมัน โดยนำน้าที่เหนือใจเหนือจิตของเรามันเหมือนกับลูกบอล น, นะที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเรากดมันเอาไว้ให้จมน้ำเนี่ยเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็จะเด้งขึ้นมาอารมณ์ก็เหมือนกันนะความคิดก็เหมือนกันพอกดมันไว้พอเราเลิกกดมันก็พุดโผล่ขึ้นมา แต่ถ้าเราเพียงสักแต่ว่ารู้เฉยๆเนี่ยแค่รู้เฉยๆเนี่ยก็ทํามันหมดพิษสง์ได้ทำใหมันลาดถอยไปอย่างที่มีคนหนึ่งพูดไว้ดีบอกว่าเนี่ยสิ่งใดที่เธอผักใสจะคงอยู่อะไรที่เธอตระหนักรู้จะหายไปสิ่งใดที่เธอผักใสจะคงอยู่นะมันดื้อด้านเลยนะแต่พอเราแค่ตระหนักรู้ มันก็จะหายไปรู้ในที่นี้คือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้โดยที่ไม่ไปกดข่มผักสายหรือไหลาตามซึ่งครูบาจะเรียกว่ารู้ซื่อๆอันนี้ถ้าว่าใช้วิธีการรู้ซื่อๆเนี่ยโอ้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยกับใจเนี่ยมันดีทั้งนั้นเลยแม้อารมณ์ที่เป็นอกุศลแม้ความคิดที่เป็นลบมันก็จะแสดงตัว ให้เรารู้จักมันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้ซื่อๆนะไปกดข่มมันเอาไว้เนี่ยก็จะเกิดการโรมรันพันตูวสู้ลบตบมือทาให้เราเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้รู้ไม่ว่าจะเป็นรู้ทันหรือรู้ธรรมชาติของอารมณ์แต่ถ้าการปฏิบัติเราในเรื่องการรู้เนี่ยนะ เมื่อ จ, จะเป็นความรู้ตัวหรือรู้ทันความคิดต่อไปมันก็จะรู้ธรรมชาติของอารมณ์มันก็มีแต่ได้นะไม่ว่าอะไรโผล่ขึ้นมาดาน้ามาก็รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวและไม่เพียงแต่ว่ามันไม่มีคมว่าล้มเหลวนะมันยังเป็นการปฏิบัติที่ง่ายกว่าด้วยระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบ นะกับการที่แค่รู้ว่าจิตไม่สงบหรือว่ารู้ว่าจิตไม่นิ่งเนี่ยอันไหนที่มันง่ายกว่ากันบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบนี่มันยากนะแต่ถ้าเราไม่บังคับมันมันไม่สงบก็แค่รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่นิ่งก็แค่รู้ว่ามันไม่นิ่งอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะเราไม่ต้องทำอะไรนะก็แค่ดู นะรับรู้สิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงแล้วพะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีคำว่าล้มเหลวนะไม่มีคำว่าขาดทุนเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นก็ได้รูนะ้อารมณ์ที่เป็นลบเกิดขึ้นก็รู้อารมณ์ที่เป็นบวกเกิดขึ้นก็รู้มันง่ายกว่าเยอะ แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่มีคำว่าล้มเหลวหรือผิดพลาดเพราะนี้นี่จึงพูดได้ว่าเนี่ยการจริญสติเนี่ยนะมันจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดเลยนะมันคุ้มค่ายิ่งกว่าการอ่านหนังสือแต่ไม่ได้แ้วความว่าเลิอกอ่านไปเลยนะ หนังสือมันก็มีค่าถ้าเราอ่านเป็นแต่ว่าอ่านแล้วเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วจะใช้ใเกิดประโยชน์ได้กับชีวิตนเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝึกจิตฝึกให้มีสติแล้วถ้าเราฝึกสตินะดีนะมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่เป็นท่าของหนังสือ คนที่อ่านหนังสือจํานวนมากเนี่ยพอไม่มีหนังสืออ่านนี่หงุดหงิดเลยนะกลายเป็นท่าของหนังสือไปแล้วถ้าไม่มีหนังสืออ่านเนี่ยจะกระสับกระส่ายมากเลยหลายคนเนี่พอมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะพอไม่อ่านหนังสือเนี่ยเหมือนจะลงแดงอันนี้เพราะว่าไปติดหนังสืออาตมาก็เป็นนะแต่ก่อนนี้ก็ติดหนังสือมาก เป็นคนที่อ่านหนังสือนั้งแต่เล็กและตอนหลังนี้ไปไหนมาไหนก็ขาดหนังสือไม่ได้มันกลายเป็นนายรัศล ะ, ะ, ละเพราะว่าพออ่านมากๆเนี่ยความคิดมันออกมาเยอะพอกมาเยอะแล้วเนี่ยทําไงจะให้มันไม่ฟุ้งซ่านก็อ่านหนังสือไงพรอ่านหนังสือเสร็จน้น่งใจมันก็จดจ่ออยู่กับหนังสือมันก็ไม่คิดฟุ้งซ่านมากเพราะมันมีสิ่งที่จดจอ่อ แต่พอไม่มีหนังสือเมื่อไหร่มันก็ฟุง้งซ่านนะแล้วก็เลยกกระสับกระสายเหมือนกับที่เด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ฟุง้งซ่านกระสับกระสายอันนี้เรามันกลายเป็นนายเราแล้ ว, แ, ลวแต่ถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะโดยว่าฝึกสติเนี่ยหนังสือมันก็จะเป็นบ่าวที่ดีของเราแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเมื่อไหร่มันก็จะเป็นนายที่เลวเช่นเหนียวความคิดนะความคิดก็เป็นเบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลว คนที่ติดหนังสือมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าความคิดมันฟุ้งซ่านมากนะจนกระท่ต้องเอาหนังสือเนี่ยมามาสยบนะไม่ให้ความคิดฟุ้งซ่านแต่ไม่มีหนังสือมาแล้วก็แย่แต่ถ้าฝึกสตินะมีก็ดีหนังสือมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราเป็นนายของมันได้ยวไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยเวลาเกิดปัญหาในชีวิตนะ พัดผภาคจากสิ่งรักประสบสิ่งที่ไม่รักเจอความเจ็บความป่วยเจออุปสรรคเจอกายงานล้มเหลวก็ไม่ทุกเนะีอย่างที่หลวงพ่ อ, อาเขียว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่หลวงพ่อไม่ล้มเหลว อ, อันนี้เพราะว่าฝึกนะีฝึกอะไรนะฝึกสติฝึกจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกได้ว่าเนี่ยมันไม่มีการลงทุนอะไรที่คุ้มค่าหรือประเสริฐที่สุดเท่ากับการฝึกสติ หนังสือก็เป็นการหนังสือก็เป็นการลงทุนนะที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นรองการฝึกสติและการฝึกจิต